ที่ทำมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมมันก็มีบางช่วงนะที่ทางโรงเรียนให้หยุดเรียนที่หยุดเรียนนี่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะนอกจากว่าให้นักเรียนเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวสอบ แล้วก็มีนักเรียนหลายคนนะพอหยุดเรียนแล้วก็ดีใจแล้ว ก, ถออกว็ถือโอกาสไปเที่ยวถือโอกาสไปสนุกสนานกันแานที่จะเตรียมตัวสอบก็เปิดเผิดยินดี กับวันเวลาที่ไม่ได้เรียนหนังสือขณะที่นักเรียนหลายคนนะเขาก็หยุดเรียนเขาก็ไม่ได้เที่ยวแต่ว่าตั้งใจอ่านหนังสื อ, เ, อเตรียมตัวสอบพอถึงเวลาสอบเขาก็อาสอบได้คะแนนดี นักเรียนที่หยุดเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เตรียมตัวสอบพอถึงเวลาสอบเข้าก็หลายคนก็สอบตกหรือว่าสอบได้คะแนนไม่ดีอันนี้มามาดูชื่นคนเรานะในยามที่ มีสุขภาพดีมีกำลังวังชาหรื อ, อย่ายังเป็นหมนุนเป็นสาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายพร้อมสมบูรณ์สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างที่ต้องการอันนี้จะว่าไปมันก็ ไม่ต่างจากการที่เขานะเหมือนนักเรียนที่หยนะุดเรียนชั่วคราวหยุดเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะ แม้จะไม่ได้เหลือหนังสือแต่การที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยยังเป็นหนุเป็นสาวเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาของการเตรียมตัวสอบเหมือนกันนะแต่ว่าหลายคนน่ะไม่รู้ตัวมันเป็นช่วงเวลาของการที่ได้ ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่เอาความรู้นั้นไปนใช้ในการสอบเวลาเราเรียนวิชาแล้วก็ตามเนี่ยในโรงเรียนหรือมาวิทยาลัยเนี่ยเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบอเพื่อเลื่อนขั้นไม่ใช่เพียงแค่เพื่อวัดผลอย่างเดียว แม้เราจะไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหมาหาวิทยาลัยนะเราก็มีวิชาที่ต้องเรียนรู้นะอันนั้นคือวิชาชีวิตในวิชาชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับวิชาอื่นๆในโรงเรียนในหมาหาวทยาลัยครคือมันต้องมีการสอบอนั่จะเรียกว่าคนเรานี่เกิดมา ก็มีหน้าที่ที่ต้องเรียนวิชาชีวิตนะและการที่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันก็ก็เพื่อเป็นโอกาสดีนะสำหรับการได้ศึกษาวิชานี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะสอบในวันข้างหน้าสอบที่ว่านี่นะถ้าเป็นการสอบลายเนี่ยของวิชาชีวิตเนี่ย มันคืออะไรนะมันคือความตายนะคนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องผ่านการสอบไล่นะของวิชาชีวิตแต่แว่าก่อนจะสอบวิชานี้เนี่ย เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาเต็มที่เตรียมตัวสอบเต็มที่เมือ่อกวที่โรงเรียนนะเขาให้เราหยุดเรียนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่เราควรจะมองว่าการที่เรามีสุขภาพดีมีกลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันคือโอกาสที่ธรรมชาติมอบให้ เือที่เราจะได้มีเวลาเรียนรู้มีเวลาฝึกฝนและมีเวลาเตรียมตัวอย่างเต็มที่ก่อนที่จะสอบไล่แต่คนจะนวนไม่น้อยนี่ไม่ได้แต่หนักตรงนี้นะเคิดว่าเนี่ยเออตอนนี้ฉันมีกำลังวังชา ย, ยังเป็นหนุนเป็นสาว ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยดีล่ะนะฉันก็จะขอแสวงหาความสุขอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตยอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ก็ไม่ต่างจากนักเรียนบางคนนะที่พอหยุดเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะเตรียมตัวสอบตามจุดมุ่งหมายของการที่ได้หยุดเรียนแต่ว่า ไปเที่ยวเตยสนุกสนานไปดูหนังไปคุกคีตีโมกับเพื่อนแล้วอนสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าสอบตกเพราะเขาไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์คนจนวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนี้กที่มีกำลังวังชามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย ก็คิดว่าเป็นเวลาแห่งการสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้คิดที่จ ะ, ะเตรียมตัวฝึกฝนเพื่อให้เกิดความพร้อมเมื่อถึงวันที่มีการสอบไล่อย่างที่บอกไปแล้วนะนะการสอบไล่เนี่ยของวิชาชีวเนี่ยคือความตาย มันเป็นการสอบไล่จริงๆนะเพราะว่าถ้าสอบไม่ได้ก็ตกเนี่ะตกอบายสอบไล่ในโรงเรียนบางทีมันก็เหมือนกับตกนะถึงแม้เราเรียกว่าสอบตกเนี่ยตัวแค่ซ้ำชั้ น, นแต่ว่าสอบไล่วิชาชีวิตนี้ถ้าสอบไม่ได้คือตกนะ ตกอบายเนี่ยซึ่งก็แต่ตามมด้วยความทุกข์ทรมานแล้วมันยังพิเศษแตกต่างจากการสอบไล่ของโรงเรียนมาวิทยาลัยต่างๆเพราะว่าสอบไลยวิชาชีวิตเนี่ยไม่มีการบอกล่วงหน้าสอบในโรงเรียนในมาวิทยาลัยมีการ บอกล่วงหน้าหรือแม้แต่สอบเข้าหมหาเทาไลยสอบสมัครงานมีการบอกล่วงหน้าว่าเมื่อไหร่แต่สอบไล่วิชาชีพนี้ไม่มีการบอกเลยและมันก็จือเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาสําหรับการสอบไล่ครั้งสําคัญวันนั้นเวลาเรา นะยังมีกำลังวังชายังมีเร็วมีแรงยังมีสุขภาพดีเนี่ยนะควรถือเป็นโอกาสทองหรือเป็นหน้าที่เลยทีเดียวนะที่เราจะต้องมาศึกษาฝึกฝนตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบไลร่ี้เพราะว่ามไม่บอกล่วงหน้า แล้วก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยอสอบตกยังมีโอกาสแก้ตัวสอบไม่ได้ก็สอบใหม่บางคนก็สอบเข้ามาทลายมาหลายครั้งแล้วบางคนสอบประโยค8ปประโยค9กามาเป็น10ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ท้อถอยเพราะมีโอกาสแต่ว่าสอบ ในวิชาชีวิตนี้ถ้าสอบตกก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวตกแล้วตกเลยถ้าคนเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยปราบประโยชน์นะไม่ใช้ช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีมีกลาวังชาไปในการหาความสุขสนุกสนานแต่ว่าเตรียมพร้อมฝึกฝนตนโดยเพราะ การฝึกจิตฝึกใจเพื่อว่าเมื่อถึงวันที่ต้องสอบไล่ซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อาจจะเช้านี้บ่ายนี้คืนนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ก็พร้อมเพราะทำไมพร้อมนี้ก็ได้ถูกความทุกเล่นงานความตื่นตระหนกความหวาดกลัวหากว่า ยังมีเวลาที่จะตื่นตระหนกตกใจได้งั้นพอไปแล้วนี่ก็ยังไม่จบแค่นั้นอ่ะอาจจะไปไม่ดีก็ได้ช่วงเวลาที่เราสุขสบายนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้คือต้องมองเป็นโอกาสทอง หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวขนขวายในการฝึกฝนตนรวมทั้งทำหน้าที่ต่างๆเพื่อที่ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงหรือวินาทีนั้นมาถึงเราก็จะสามารถผ่านไปได้แล้วที่จริงเนี่ยก่อนที่จะสอบไล่เนี่ยมันก็มีการสอบย่อยสอบเล็กสอบน้อยมีการสอบอกลางภาค เพื่อสร้างความพร้อมนะสำหรับการสอบไล่ครั้งสำคัญนะมองให้ดีเนี่ยก่อนที่เราจะเจอความตายเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่ออะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเช่นความแก่ความเจ็บความป่วยอันนั้นถ้าเรามองว่ามันคือการสอบ นะของวิชาชีวิตอย่างหนึง่งเพื่อที่จะดูว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเวลาเจอความแก่ชราเจอความเจ็บความป่วยนะเดีะเราจะมองว่ามันเป็นเคราะห์ลองมองว่าเนี่ยคือบททดสอบว่าเราพร้อมแค่ไหนจะว่าเป็นการเตือนก็ได้นะว่ายัางมีสิ่งที่เข้มข้นหนักหนา ก่อนนี้ที่จะตามมาบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะเวลาเจ็บเวลาป่วยหรือว่าเวลาร่างกายเริ่มเสื่อมเริ่มชราก็ตีโพยตีพายกนดาชตากรรมอย่างนี้เรียกว่าสอบตกแล้วล่ะยังไม่ทันจะสอบไล่เลยนะแค่สอบกลางภาคนี้ก็ตกซะละแต่ถ้ารู้ว่าตกหรือว่าสอบตกก็ยังดีนะ ก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวหรือว่าถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ให้ดีขึ้นนะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยปราประโยชน์หรือมัวแ่เที่ยวแต่สนุกสนานเมื่อหายป่วยหรือว่าขณะที่แก่ชาราเนี่ยคิดว่าเอยต่อไปฉัน จะต้องตายเลยต่อไปฉันจะเที่ยวไม่ได้แล้วขอเที่ยวให้เต็มที่ไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าพลาดโอกาสทั้งที่เข้ามาทั้งที่สอบไม่ดีสอบตกแล้วก็ไม่ได้ขวนควายที่จะเตรียมตัวสาหรับการสอบไล่เราจะเตรียมตัวอย่างไรนะเพื่อที่เราจะสอบผ่านในแง่นั้นคือเราต้องทำหน้าที่ของเรา ไม่ให้ค้างคาโดยเพราะหน้าที่ที่สำคัญต่อคนที่เรารักหรือคนที่พึ่งพาอาศัยเราเช่นพ่อแม่ลูกหลานรวมมังการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่เราจะได้มีความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเสียใจกับการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปและที่ทำมาคือการฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จั ก, กวาง เพราะว่าความยึดติดถือมั่นในทรัพย์ก็ดีในคนก็ดีในสิ่งของก็ดีมันทำให้สอบตกได้ก็คือนะทุกทรมานก่อนตายเพราะจะต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นวิชาชีวิตเนี่ยถ้าเราศึกษาดีก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่สามารถที่ยึมั่นถือมั่นได้นะถ้าเรา ใช้ช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพนี้มีกำลังใจในการศึกษาความจริงของชีวิตเราก็จะรู้ว่าเนี่ยพวกนี้มันไม่จีรังไม่สามารถจิตมั่นถือมั่นได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยถึงเมื่อถึงเวลาที่หมดลมก็ต้องพัดพลากจากทุกสิ่งถ้ายัางปล่อยวางไม่ได้ก็จะเศร้าโศกเสีสยใจนะโกรธแค้น ทับแค้นใจการที่เราเตือนใจอยู่เสมอนะว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของสิ่งต่างๆที่กำลังมีหรือกำลังเป็นอยู่ก็ทำให้เห็นความจะเป็นของการปล่อยวางอันนี้คือการมีปัญญานะเห็นความจริงของชีวิต ซึ่งก็ต้องอาศัยสติมาช่วยเตือนนะเพราะว่าบอยครั้งเนี่ยมันก็ความที่ยังมีสุขภาพดีมีกระลาวังชามีทรัพย์สินเงินทองก็ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานกับความสุขจากสิ่งเหล่านี้ต้องมีสติเตือนใจว่าความนี้ไม่เที่ยงนะพอมีสติมันเกิดปัญญาระลึกเกิดปัญญาเข้าใจ ที่ช่วยทำให้ปล่อยช่วยทำให้หวางได้หรือว่าปลายความยึดมั่นแต่ธรรมดาคนเราเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญญาถึงที่สุดนะชนิดที่ว่าจะปล่อยวางได้ร0 0เซมันก็ยังมีเยื่อใหญ่ไม่มากก็ น, น้อยซึ่งทำให้เกิดความเสียใจเกิดความเข้าแค้นใจเวลาต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องรอให้ตายก่อน ในความพัดเพราก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ปัญญามีไม่พอที่จะปล่อยวางคลายความยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ได้แต่อย่างน้อยถ้ามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในยามสูญเสียเช่นความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายใจความขับแค้นใจความเครยียดความวิตกเนี่ยให้การมีสติก็ช่วยทำให้ปล่อยวางได้เหมือนกันนะปล่อยวางอารมณ์ที่เข้ามาจู่โจมนะครอบงามจิตนั้นถ้าเราฝึกสติเอาไวนะ้จนสติเราแก่กล้านั้นถึงเวลาป่วย เราก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยมีทุกขเวทนากับกายอย่างไรก็อยู่กับมันได้โดยใจี่ไม่ทุกขทรมานหรือเวลาแก่ชาราร่างกายติดขัดก็ไม่ได้บนไม่โไวยไวายไม่ตีโพยตีภายไม่บาดวิตกความแก่ชาราเป็นเรื่องของกายแต่ว่า ใจไม่ทุกข์อันนี้พราะมีสตินะเป็นเครื่องรักษาใจแม้ว่าปัญญายัางไม่มากพอที่จะทําให้จิตเป็นอิสระนะจากความแก่ความป่วยหรือความพักพั ก, พกสูญเสียได้อย่างสิ้นเชิงนะแต่ว่ามันก็ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ในยามทีนะ่เกิดความผิดหวังในทางที่เกิดทุกขเวทนาขึ้น แล้วถ้าเรามอว่าความเจ็บความป่วยความแก่ชราเนี่ยมันรวมทั้งความสูญเสียพัดพลากจากคนรักของรักเนี่ยมันเป็นการสอบอย่างหนึ่งที่จะเป็นเป็นตัววัดผลว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะสอบไล่อันนี้มีประโยชน์นะมันทำให้เราได้เรียนรู้ ว่าจะวางใจอย่างไรเรียนรู้จากความทุกข์เรียนรู้จากความเจ็บป่วยเรียนรู้จากความแก่ชราเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของแบบฝึกหัดอย่างที่ท่านจะพูดวุฒท่าท่าว่าเนนะเจ็บป่วยทุกทีก็ชลาทุกทีชราอะไรนะชราในเรื่องของวิชาชีวิตฉลาในเรื่องความจริงของชีวิต อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะสอบไล่เมื่อวันนั้นมาถึงแต่ถ้าคนที่วางใจไม่ถูกนะก็เอาแต่ทุกนะกับความแก่ชราเอาแต่ทุก์ระทมกับความเจ็บป่วยหรือว่าับแค้นใจกับความสูญเสีย นี่นเราควรจะหันมามองนะสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยหรือว่าอนิธารมเนี่ยว่ามันคือแบบฝึกหัดคือบททดสอบคือการสอบของชีวิตซึ่งจะไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้ว่า เรามีความพร้อมแค่ไหนในการสอบไล่แต่มันจะเป็นตัวกระตุ้นด้วยแล้เราเกิดความตื่นตัวนะเกิดความตรหนักหรือว่าสำเนียกไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยปราบประโยชน์แล้วขณะดเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่จะได้สอนใจเรา ให้ตัองอ้งในความไม่ประมาทมากขึ้นหรือว่าเป็นเครื่องฝึกสติฝึกสติจากประสบการณ์จริงฝึกสติจากความทุกข์รวมทั้งเกิดปัญญาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะมันก็คือสิ่งที่แสดงพัฒตาลักให้เราเห็นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วขณะเดียวกันเนี่ย ในยามที่เรามีความสุขสบายเมื่อมีความสุขเราก็เรียนรู้ที่จะไม่เพลิดเพลินกับมันไม่เพลิดเพลิน ด, ดีกับมันจนประมาทสุขภาพดีมีกาลังวังชาก็ถือว่านี่คือโอกาสคือเงื่อนไขนะที่จะให้เรามาได้เรียนรู้ มีเวลาเตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ล้าคนฉลาดเนี่ยเมื่อเขาสุขภาพดีเขาไม่เจ็บไม่ป่วยเขาก็เห็นความสำคัญของการเร่งทำความดีการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจอันนี้แหละคือเรื่องเดียวการหยุดเรียนนะเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบไม่ใช่หยุดเรียนแล้วก็ไปเที่ยวสนุกสนานถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เที่ยวเตแล้วอันนี้เป็น ความคิดที่คิดสั้นแล้วก็ทำร้ายตัวเองในที่สุดหรือเราจะมองว่าไอ้ตอนที่เรามปสุขภาพดีเนี่ยนะมีกระลวังชาไปไหนมาไหนได้เนี่ยทำไรได้ตามใจปรารถนานี่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้นะซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มีช่วงโปรโมชั่นไอ้ช่วงโปรโมชั่นนี่ใครก็ชอบแต่ว่ามันก็ มีระยะเวลาที่จำกัดพอหมดโปรเมือ่อไหร่นี่โอ้มีรายจ่ายที่จะต้องแบกรับอย่าไปคิดว่าความสุกสนานเนี่ยมันเป็นของที่ได้มาเปล่าเปล่ามันเป็นคือช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นแหละสักวันหนึ่งก็จะหมดมันก็จะหยุดติงนั้นก่อนที่จะหมดโปรนี่ก็ใช้โอกาสนั้นให้มีประโยชน์เต็ม ท, ที่เมื่อถึงเวลาหมดโปรอะเราก็จะได้ มีความพร้อมไม่ถึงกับติดโทรศัพท์จกนกระทั่งเป็นท่าของมันพอหมดโปลเมื่ อ, อไหรก่ก็กลายเป็นนี่ขึ้นมาทันทีเพราะใช้ไม่หยุดแล้วก็ใช้ไม่สมเหตุสมผลงั้นขณะที่เรายังยังไม่เจ็บไม่ป่วยยังไม่แก่ชาราหรือถึงจะแก่ชาราแล้วก็ตามเนี่ยให้ตระหนักว่าเนี่ย นี่คือโอกาสทองนะที่เราจะได้ฝึกฝนเตรียมตัวเตรียมตัวละรเตรียมตัวสอบสอบไล่รังสำคัญของชีวิตอ่ชาญยุทธ์ตอนนี้นะกราบพระ